โกติคามนาทิกคามและเสด็จนครเวสาลีตามลาดับเมื่อสร้างนครเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้ า, าชาติศัตรูเสด็จมาประทับณปาตาลีบุรเสมอเสมอประการหนึ่งเพื่อดูลาดเลาทางเวสาลีอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองอีกประการหนึ่งเป็นการแปลพระราชฐานเพื่อความสำารัญแห่งพระองค์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 อุทัยพัทรราชกุมารทําปิดดุคาดแย่งราชสมบัติต่อมาอุทัยพัทรรได้ราชสมบัติแล้วถูกพระโอรสคือพระเจ้ามหามุนทิกะปลงพระชนนพระเจ้ามุนทิกะถูกพระเจ้าอนุรุทธาปลงพระชนนพระเจ้าอนุรุทธาถูกพระเจ้านาคทาติปลงพระชนนประชาชนพลเมืองและอมาชิกราชมนตรีทั้งหลายพิจารณาเห็นว่า